พิธีอะไรล่ะไม่ามาแ่ารย่ายก็ก็ถวายแบบนี้แหละคงไม่ได้ชักกับชักวันเดียวก็ตายนั่นวันนี้ช่วง่าไม่สะดวกพต้องไปร้อยหลังคาระถ้าช่วง้พรุ่งนี้ไม่ว่างวันนี้เราไม่ได้ลงศาลาก็ให้ผ้าอล่นชักก็ได้เหมือนกันแหละมันก็แค่ชักผ้าใครก็ชักได้ เหมือนกันได้บวนเท่ากันต่างกันตรงที่ฟังเทศฟังธรรมนะแต่ถ้าก็ไม่ฟังเทศฟังธรรมใครชาติ ก, ก็เหมือนกันอาจารย์นะเพราะได้ถวายผ้าเหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าจะถ้าฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะคนพูดอาจจะรู้ไม่เท่ากันอนนั้น เอกคนละเรื่างเลยแต่าก็ไม่ฟังฟังเท่ก็ต้องการถวายผ้าอย่างเดียวก็ให้ผ้าที่ไหนจักก็ได้นะมันถือว่าเวลาไม่ไมสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่สะดวกกับเวลาของเราเราก็ไม่สะดวกกับเวลาของเขาพอดีมันเลือกเวลาไม่ได้ค่ะตอนนั้นโอมันวันอื่นก็มีไม่ใช่มีวันนั้นวันเดียวให้ไหนถึงเวลามาถ้าอยากจะ น่ะมันหาได้เองแหละเวลาเขาไม่เหมยงดันั้นน่ะก็ไม่เหมือนเราไปทําให้เขาเหมือนเราได้ไงกันก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเราเลย <c oughs> ช่วยเยขาได้มากที่สุดไม่ช่วยในไรเขาหลักเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้เราปัญญาเนี่ <c oughs> ไม่ต่างกันหรอกให้ใครชักเหมือนกันู้ตามความเป็นจริงเออการชักผ้านี้ใครชักก็ได้ คนให้ก็ได้ให้เหมือนกันคนรับไม่เกี่ยวเรื่องการให้นะี่อยู่ที่คนให้อยากจะให้ก็ได้บุญเยอะๆก็ให้ก็ให้มากๆไม่ใช่คนมาคนรับมากๆแต่ของนิดเดียวเข้าใจไหมบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ของที่เราจะให้ถ้าอยากได้บุญมากก็หาของมาถวายเยอะๆถวายใครก็ได้ แต่ถ้าอยากจะได้บุญจากการฟังธรรมก็ต้องหาคนที่แสดงธรรมเป็นอันนั้นอยู่เป็นคนละบุญบุญคนละอย่างถ้าอยากจะได้ธรรมะอยากได้ปัญญาอยากจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ต้องฟังธรรมถ้าอยากจะได้บุญที่เกิดจากการให้ทานก็ให้เยอะๆเอาทีละล้านสองล้านไปเลยจะได้บุญเยอะๆ ใครรับก็เหมือนกันให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้สภากาชาติก็ได้ได้บุญเหมือนกันอบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้อยู่ที่ปริมาณการให้ของเรายิ่งให้มากก็ยิ่งได้บุญมากแต่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็ต้องอยู่ที่ผู้แสดงธรรมว่าเป็นพระระดับไหน ถ้าเป็นพระระดับธรรมดาก็ได้แต่ทำระดับธรรมดาถ้าเป็นพระระดับอริยเจ้าก็ได้ทำระดับพระอริยเจ้าถ้าพระโสดาบันแสดงท่านก็แสดงระดับพระโสดาบันให้ฟังถ้าพระอรหันต์ท่านก็แสดงระดับพระอรหันต์ให้ฟังมัออาา น, อ, อ, าานอยู่ที่ผู้ทาบุญว่าต้องการบุญแบบไหน ที่นี้เวลาไม่เวลาไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรก็หาวันอื่นก็ได้ไม่ไม่ตายพวกนี้ไม่ใช่เลยยังอยู่ต่อไม่ใช่เนาะปวตายพกนี้ตายก็แล้วไป <laughs> นะคือบางทีจิตใจเขายังไม่เข้าเข้าไม่ถึงทำระดับสูงก็ใายก็ทาทำระดับล่างไปก่อนอ ทำที่ไหนก็ได้เรื่องทำระดับร่างนี่ทำที่ไหนก็ได้ปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้บุญใส่บาตรก็ได้บุญเพราะเป็นทานเหมือนกัน <c oughs> ได้มากก็ใส่มากทำมากอยากได้น้อยก็ใส่น้อยแต่เป็นเป็นบุญระดับต่ำถ้าอยากจะได้บุญระดับสูงก็ต้องรักษาศีล สูงก็นั้นก็ต้องนั่งสมาธิสูงก็นั้นก็ต้องฟังธรรมให้เกิดปัญญาทำมันบุญมันมีหลายระดับกันที่นี้มันก็อยู่ที่คนทําบุญว่าจิตใจอยู่ในระดับไหนเหมือนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ <c oughs> อยู่หลายระดับเด็กอนุบาลก็ต้องเรียนชั้นอนุบาลไปก่อนเด็กประถมก็เรียนชั้นประถมไป เราจะไปจับเด็กอนุบาลมาเรียนชั้นชั้นมัธยมเหมือนก็นเป็นไปไม่ได้เรียนก็ไม่เรียนไม่รู้เรื่องนะไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราเป็นมัรคกุเทศเราก็พาเขาแล้วนี่เดี๋ยวนี้วัดยางมีวัดเจ้ า, าวาดแล้วเจ้ า, าวาดเมื่อก่อนไม่มี เราก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสไปพังๆก่อนพอตอนนี้เจ้าอาวาสมาแล้วเราก็เลยเอถอยหลังให้เจ้าอาวาสท่านนําหน้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันพระมีญาติโยมมาทําบุญกันเยอะ mm hmm. ก็เราก็เลยหลบฉาก เ, าเพื่อจะได้ให้ท่านเจ้าอาวาสท่านจะได้พบปะกับญาติโยม จะได้ทำความรู้จักกันถ้าเราลงเราก็จะเป็นหัวหน้าเพราะพันธามากกว่าตามหลักธรรมเราเราไม่ได้ถือว่าใครตำแหน่งสูงกรต่ำแต่ถือหลักว่าใครบวชก่อนบวชหลังคนบวชก่อนก็เป็นหัวหน้าถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าวาแต่ก็ตามหลักธรรมก็เป็นหัวหน้าเจ้าวาดนี้เข้ามา สร้างกฎขึ้นที่หลังมันไม่ได้กดที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมากฎของพระพุทธเจ้าสร้างไว้ก็คือกลายเป็นกลายเป็นพรรษาสูงก็คนนั้นก็เป็นเจ้าอาวาสไปกลายเป็นพรรษาน้อยก็เป็นลูกวัดไปแต่สมัยนี้เขามาใช้กฎหมายของทางโลกม า, บ, าบังคับกฎทางธรรมอย่างนี้ก็มีกฎหมายว่า วัดจะต้องมีเจ้าว่าจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคมหาเถระสมาคมสังฆราชเนี่ยเขามีการปกครองระดับปกครองของสงเป็นกฎหมายของบ้านเมืองสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นกฎธรรมวินัยที่พระเจ้าสร้างไว้ธรรมวินัยของเจ้า ง, ง่าย ใครบวชก่อนาะนั้นก็เป็นหัวหน้าไปถ้าอยากจะเป็นหัวหน้าก็รอให้คนที่เป็นหัวหน้านั้นตายไปก่อนแล้วขยับขึ้นไปไม่ต้องแต่งตั้งกันไม่ต้องมาแก่งแย่งชิงดีกันเ<ม>ขารบอบาวุโสพันเตกันไปเหมือนเหมือนเหมือนครอบครัวพี่น้องเนี่พี่ก็ต้องเป็นพี่น้องจะมาเป็นพี่ไม่ได้หรอกต้องให้พี่พี่ก็ต้องเป็นหัวหน้าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ต้องให้นะ ให้พี่คนโตเป็นหัวหน้าน้องก็เป็นคนรองก็คอยรับใช้คอยช่วยเหลือพี่ที่เป็นหัวหน้าดูแลรักษาครอบครัวให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขกฎของพระเจ้าเนี่ยดีแล้วเพราะมันจะได้ไม่แก่งแย่งชิงดีกันแต่กฎทางโลกนี่มันมาเปลี่ยนเขาเอาเอา เขาก็อ้างว่าเอาความรู้เอาความสามารถความดีความเด่นอะไรต่างๆก็เลยมีการแต่งตั้งตาแหน่งต่างๆแต่งตัง้ตงเจ้าอาวาสเจ้าตำบนเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคกรรมการมหาเถระสมาคมแล้วก็ตั้งสมำศรรักสง์อีกเป็นพระครูเป็นปราชาคณะชั้นสามัญชั้นลาดชั้นเทพชั้นพรม ชั้นสมเด็จเป็นการแต่งตั้งกันขึ้นมาแล้วก็คนที่ถูกตั้งก็ต้องเคารพกฎที่เขาตั้งคนที่อยู่ชั้นต่งกว่าก็ต้องเคารพคนที่กฎสูงกว่า mm hmm. เช่นถ้าไปงานของทางราชการเนี่ยถ้านั่นเขาต้องให้นั่งตามลำดับพัทย์ยศ mm hmm. ฉั้นธรรมก็นั่งสูงกว่าชั้นเทพชั้นเทพก็นั่งสูงกว่าชั้นลาดเขาไม่ได้ดูที่พรรษาแต่ถ้าไปงานของชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตำแหน่งพันยศเราจะใช้พรรษากลายเป็นพรรษาใหญ่สูงก็นั่งหัวหน้าไปมีสองเดี๋ยวนี้เรามีสองระบบระบบทางธรรมกับระบบทางโลก ระบบทางโลกก็อยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่การแต่งตั้งอยู่ที่สัมมณสักแต่ทางธรรมเราก็อยู่ที่พรรษาอายุพรรษาใครบวชก่อนคนนั้นก็เป็นพี่ใครบวชที่หลังก็เป็นน้องอันนี้เป็นการฆ่ากิเลสที่อยากจะแข่งมักใหญ่ไฟสูงกันอัตาตัวตนอีโก้สมัยพุทธกาลเนี่ยมี เจ้าชายห้ารูปเป็นญาติของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปโปรดแสดงธรรมแล้วเขาเก็ศรัท ธ, ธาอยากจะบวชตามทีนี้ก็มีลูกน้องเป็นช่างตัดผมอยากจะขอบวชตามด้วยคนหนึ่งเจ้าชายทั้งห้าก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าเราควรจะให้ไอ้ช่างตัดผมนี่มันบวชก่อนเพราะมันจะได้เป็นหัวหน้าเราเป็นพี่เราเพราะเราจะได้ต้องกาบมัน เพราะว่าเรามาบวชเพื่อมาฆ่ากิเลสมาฆ่าอัตตาตัวตนฆ่าความหลงในสมมุติต่างๆก็เลยตกลงว่าให้ช่างกัดผมบวชก่อนแล้วเจ้าชายพอบวชเสร็จก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วเป็นพระพระก็ดูดูที่วันบวช ด, ดูที่พรรษาใครบวชก่อนก็ ก็ก็ต้องข่าวรบคนที่บวชก่อนแม้แต่ในหลวงของเรานี่ท่านก็ตอนที่ท่านครบอายุ60สแล้วก็มีพวกข้าราชการที่รับใช้ท่านในโครงการพระราชดำริของวัดยา น, นี่เขารวมตัวกันขอบวชกันเบียธิยบดีกรมชนประธานอาทิตย์บดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการพระราชดำริ บวชถวายเป็นพระราษกุศลในหลวงก็นิมนต์พระเหล่านั้นไปถวายไปรับสังฆทานที่ในวงังในหลวงก็ต้องกาบพระทุกองกาบอธิบดีกาบอะไรต่างๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงที่ศาลาตอนเช้าเพราะถ้าเราลงเ้วก็เหมือนกับ เ, เราก็ไปบังเขา แล้วก็ยาติโยมมา้วยความเกีงใจิญาติโยมก็ต้องไปพบคนหัวหน้าคนที่ําอยู่หัวหน้าอนี้าเราไม่ลงครับท่านก็จะได้เป็นหัวหน้านเวลาใครอย่งพวกนี้ใครไปที่สาราไปใส่าบาตรไอะไรก็ท่านก็จะเป็นหัวหน้าไปแต่เรายังลงวันธรรมดาอยู่เพราะวันธรรมดามีคนไม่มากอย่างนี้ก็เลย หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชยวันพระวันลงปฏิโมกขเราก็จะหยุดวันเหล่านี้ก็บินธบาตเหมือนเดิมไปบินธบาตแต่เสร็จแล้วก็ก็หลบไปนั่งฉันที่มุมสงบบอกไม่ได้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามไปอีกเดี๋ยวตามไปก็ไปยุ่งที่ตรงนู้นอี่ ก็เลยต้องขอร้องอย่าไปมองว่าถ้าอยากจะใส่บาตรก็ใส่บาตรก็แล้วกันแต่พอกลับจากวัดแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นศาลาก็อย่าตามไปไปหามุมสงบเงียบๆนั่งฉันของเราคนเดียวก็ดีไปอย่างได้ฉันเร็วมีเวล า, าพักผ่อนเยอะเ mm ัราะถ้าไปอยู่ที่ศาลาก็มีญาติโยมรออีกชุดหนึ่ง mm hmm. ถอยของก่อนจะเสร็จก็อีกเกือบชั่วโมง พราพอจะฉันอคนนั้นมาทีหลังก็มาถวายต่ออีกบางทีฉันได้สองสามคำรับของถวายแล้วเดี๋ยวฉันได้สองสามคำพวกที่จะกลับก็มาลายแล้วเอาฉันไม่เสร็จทีคนเหนื่นเข้าเหนื่นเ้าหนื่นก็ฉันกันหมดแล้วเรายังนั่งฉันของเราอยู่นั่นเพราะฉันได้สองสามคำเดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาเดี๋ยวคนนี้ก็เข้ามามาสายมาเร็วมาพวกที่อยากจะกลับก็มา พวกที่จะมาถวายของก็ ต, งต้องต้องรับของเขาอีก็กเลยแต่ก็ก็พอถูถยไปได้ก็พอดีตอนนี้มีมีช่องมีโอกาสมีเหตุให้หลบได้หลบฉากได้ก็เลยอาทิตย์หนึ่งก็ได้หลบประมาณสักสามวันสามวันสี่วันอดเนี่ยไปฉันคนเดียวสี่วันนี้น้ำหนักขึ้นเกือกกิโล <laughs> มันฉันได้เต็มที่ฉันเส็จก็ไปพักผ่อนได้เต็มที่เลยมีเวลาพักผ่อนเนีก็เรียนให้ทราบไม่มีอะไรก็ทำไปตามเหตุตามผลที่ควรจะกระทำ <c oughs> ว่าเรายัางไงก็ได้เราก็มันก็แค่กินแค่อยู่เท่านั้นเองเรื่องอาหารบิณฑบาตเรื่องอะไร เรื่องอย่างอื่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรข้าวของเงินทองญาติโยมให้มาก็เอาไปแจกจ่ายทําบุญต่อเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินทองไม่เลยไมต่ต้องซื้ออะไรวันวันหนึ่งก็ทกําจิตอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ไปไหนไม่มีค่าใช้จ่ายเอาเวลามานั่งสมาธิ ด, ดีกว่าเอาเวลามาทําใจให้สงบดีกว่า ความสุขจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขจากการได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านจากการได้ทรัพย์ได้เข้าของต่างๆได้ตึกได้รถเก๋งได้อะไรสู้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่ได้การนั่งสมาธิจิตสงบนี่มันคนละระดับกันนะสุขระดับที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาให้ความสุขได้เท่า ขอให้พวกเราพยายามหัดนั่งสมาธิกันหลับตาดีกว่าเลื่อนตาเลืมต า, มตาดูทีวีดูอะไรดูแล้วเดี๋ยวก็เครียดไปกับหนังที่เราดูอีกเดี๋ยวก็ดูข่าวก็ไปเครียดกับข่าวอีกอย่าไปดูอย่าไปฟังเลยมีแต่ขยะทั้งนั้นทั้งมันเนี่ยของโซ่ <c oughs> ของที่มาทางโซเชียลต่างๆเนี่ยคนนั่นก็เขียนด่าเราก็นั่นก็เขียนชมเรา วันนั้นก็วิภาควิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปดูมันเป็นเศษเป็นขยะเป็นเรื่องไร้สาระฟังแล้วไม่ได้เกิดปัญญาฟัางแล้วเกิดอารมณ์เกิดความรักความชางังความกลัวความหลงกันถ้าจะฟังก็ฟังธรรมะดีกว่าถ้าไม่ฟังก็ะนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ฟังเสียงของความเงียบดีกว่าฟังเสียงของความว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่เรียกว่าบารมสุขนิบานังปรมังสนยังนิบานังปรมังสุขขงนนังนิพานเป็นความว่างเป็นสภาพของจิตที่อยู่กับความว่างไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับความว่างคือความไม่มีลาบยศสรรเสริญ ความไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเรียกว่าความว่างไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีทรัพสมบัติเก้าของเงินทองที่จะให้เราต้องมามากังวลมาหนักอกหนักใจถ้าเรามีอะไรเนี่ยเราจะต้องหนักอกหนักใจกับมันทันทีเพราะเราไปแบกมันเพราะเราไปถือว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราแล้วนี่มัน เราจะต้องห่วงต้องห่วงต้องหนักอกหนักใจกลัวมันจะหายกลัวมันจะหมดกลัวมันจะจากเราไปมีมากมากแทนที่จะเบา อ, อกเบาใจกับหนักอกหนักใจมากยิ่งมีมากยิ่งหนักอกหนักใจมากยิ่งมีน้อยยิ่งเบา อ, อกเบาใจมากถ้าไม่มีเลยก็ไม่มีอะไรมาให้หนักอกหนักใจเลยสบาย เวลาเรานั่งสมาธิเราดึงใจให้ออกจากสิ่งต่างๆที่เราไาอยู่ชั่วคราวดืมทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมด <c oughs> อยู่กับความว่างว่างพอใจเราไม่ไปคิดถึงมันเนี่ยนั่งสมาธิเราจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละเป็นของที่ ของที่ว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนต่าต้อยหรือเป็นคนมีสักมีสีมียศมีอะไรเข้าได้ทุกคนศาสนาพุทธจึงไม่แบ่ ง, บงวันณะเหมือนกับศ า, าสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็แบ่งวันณะกันแต่ศาสนาพุทธนี่ไม่แบ่ง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขของพระพุทธศาสนาได้เท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นคารวาสเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกคนเข้าถึงความสุขอันนี้ได้เหมือนกัน เพราะสิ่งที่จะเข้าถึงความสุขอันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนก็คือจิตใจจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดต่างกันตรงที่ว่าคิดคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นคิดโง่หรือคิดฉลาดเท่านั้นเองที่ทำให้คนเราแตกต่างกันแต่ถ้าเราหยุดคิดแล้วทุกคนก็จะได้ความสงบได้ความสุขเหมือนกัน นั้นไม่มีอะไรที่จะมาขวางการเข้าสู่ความสงบของของจิตใจได้นอกจากตัวเราเองคือตัวเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่ามีของวิเศษอยู่ในตัวเราของที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่มานั่งสมาธิกันก็จะไปหาราบยศสารเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันก็จะได้ความสุขแบบหนัก อ, อกหนักใจได้อะไรมาดีใจแล้วก็ต้องมาแบกมานัก อ, อกหนักใจไปกับมันแต่เวลามันจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ น, นี่แหละคือความสุขที่พวกเราหากัน ไม่หาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านหากันท่านหาความสุขจากการทำใจให้สงบท่านมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีตำแหน่งอะไรก็สละหมดออกบวชเห็นไหมเจ้าชายห้ารูปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรตวแล้วก็ไปสอนไปบอกว่ามีของดีกว่าที่เจ้าชายกำลังมีอยู่ในขณะนี้ ความสุขของเจ้าชายพระเจ้าบอกว่าสู้ความสุขของเราไม่ได้ความสุขที่เราได้จากพระนิพพานนี่มันเหนือกว่าความสุขของเจ้าชายเป็นหลายล้านเท่าด้วยกันถึงเกิดศรัทธานี่ต้องมีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้เป็นความจริงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ เอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้ถ้ามีความศรัทธาเชื่อนี้แล้วมันก็จะมีความยินดีมีความยินดีที่จะทำจิตใจให้สงบยินดีที่จะปฏิบัติธรรมยินดีที่จะออกบวชยอมสละความสุขของเจ้าชายไปเจ้าชายทั้งห้ารูปยอมสละความสุขยอมสละฐานะยอมกราบ ลูกน้องที่เป็นช่างช่างตัดผมเพราะว่าการถือตัวนี่มันทำให้ตัวเองหนัก อ, อกหนักใจถ้าถือตัวว่าตนเองใหญ่แล้วพอคนอื่นไม่ให้ความเคารพเราก็จะเสียใจเราก็จะไม่พอใจแต่ถ้าเราทำตัวเป็นคนต่ำนีเราก็จะได้ไม่หวังอะไรจากใครพระพุทธเจ้าบอกว่าให้หัดทำตัวเป็นเหมือนปาตะพีเป็นเหมือนดินเป็นเหมือนแผ่นดิน แผ่นดินนี่ใครจะเหยียบใครจะย่ำแผ่นดินเขาไม่เดือดร้อนเขายินดีให้เหยียบย่ำใครจะเจาะใครจะขุดอใครจะทำอะไรกับแผ่นดินเออในตอนนี้ที่บ้านองเภอก็กำลังฝังเข็มเจาะกองไปในแผ่นดินสร้างคอนโดสร้างโรงแรมแผ่นดินมันก็ไม่โวยวายเจาะเข้าไปตอกเข้าไปอ่าจิตใจเราหัดทำตัวให้เป็นปัตตภี ทีว่าเราเป็นเอ่เป็นเหมือนขอทานเป็นเหมือนคนรับใช้คนรับใช้นี่จะไม่ค่อยที่จะไปหวังอะไรจากใครไม่หวังให้ใครเ้ามาเคารพ <c oughs> ไม่หวังให้ใครเ้ามาให้ความนับถือ <c oughs> หวังแต่ความดูถูกเหยียดหยามเพรา ะ, ะต้องถูกโดนเขาดูถูกเหยียดหยามแน่นอนเพรา ะ, ะเป็นขอทานเป็นคนจนเป็นคนรับใช้ มันสบายไงใครดูถูกเหยียดหยามมันก็ไม่รู้สึกอะไรใครไม่ให้ความเคารพก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรอันนี้แหละกวรจะทําใจอย่างนี้แล้วมันจะได้สบายแล้วมันจะได้ทําจิตให้สงบได้ง่ายถ้าเรายังถือเนื้อถือตัวอยู่นี่จะทําใจให้สงบได้ยากอันนี้ ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบแต่การที่เราจะเข้าสู่ความสงบด้านนี้เราต้องสละความสุขแบบเก่าไปก่อนเหมือนกับถ้าเรามีน้ําชาอยู่ในถ้วยแล้วมีคนชงน้ําชากาใหม่มาให้ถ้าอยากจะกินน้ําชากาใหม่ก็ต้องเทชาเก่าที่อยู่ในถ้วยทิ้งไปถ้าเทปนเข้าไปมันก็ไม่อร่อย ั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขใหม่เราก็ต้องเทความสุขเก่าทิ้งไปให้หมดความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูเสียงกลิ่นรดเนี่ยพวกที่ไปบวชเนี่ยก็ เ, เป็นพวกที่เาเทน้ำชาเก่าทิ้งหมดเลยแก้วเขานี่ว่างเขาจะได้ไปลองรับน้ำชาใหม่น้ำชาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมศีล ส, สมาธิปัญญา จะทำให้จิตสงบจะให้จิตมีความสุขอย่างถาวรถ้ามีครบทั้งสามอย่างถ้ามีแต่ศีลกับสมาธิก็จะเป็นความสุขเป็นเป็นความสุขชั่วเทาเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิมาพอคิดถึงนู่นคิดถึงนีน่ก็เกิดความ ทุกขึ้นมาความสงบหายไปแต่ถ้าอยากจะให้มีความสุขตลอดเวลาหลังจากออกสมาธิมาแล้วหรือไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากให้ได้ควบคุมความคิดอยากให้ไปคิดในทางความอยากเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากดูไม่อยากฟังถ้ายังมีความอยากอยู่แล้วใจมันจะร้อนขึ้นมาทันที เห็นอะไรอยากได้นี้ใจกระวนกวายกระสับกระสายเป็นไงไปติดต่อมาได้แล้วยังยังกระวนกวายกระสับกระสา ย, ยแต่ถ้าตัดใจแล้ช่างหัวมันนะมันจะมาก็มาไม่มาก็เรื่องของมันใจเราก็จะสบายมันไม่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไป นอย่าไปฝากใจเราไว้กับของที่ไม่แน่อนอนมันจะทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเรากังวลทำให้ใจเราวิตกได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจอกีกแต่ถ้าไม่หวังอะไรจากมันแล้วสบายได้ก็ทานั้นไม่ได้ก็ทงนั้นมาทำใจให้สงบดีกว่าถ้าใจสงบแล้วมีความสุขมากกว่าเงินที่เราอยากจะได้คืนมา มันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับเงินทอมที่เราเสียไปมันจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะกลับมามันก็ไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับความสุขที่เราได้จากความสงบความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทำไมเราพวกเราไม่หากันทำไมไปหาความสุขปลอมกันไปหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์กัน หาความสุขจากสิ่งนั้นเวลาได้มาก็สุขพอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปก็ทุกข์พอสิ่งนั้นจากเราไปก็ทุกข์แต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันไม่จากเราไปมันเป็นของเรามันจะอยู่กับเราเพราะถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถรักษามันได้การรู้จักสร้างมันพอมันหมดเราก็สร้างมันใหม่ขึ้นมาได้ แลายิงถ้าเรารู้จักสร้างแบบมันไม่หมดเนี่ยสร้างด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วความสงบที่เราได้มันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าถ้าได้ด้วยถ้าความสงบได้ด้วยสติพอเราเผลอสติปล่อยให้ใจไปอยากคิดไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสงบก็จะหายไปแต่ถ้ามีปัญญาก็ตัดความอยากเลยว่าความอยากนี้แหละเป็นตัวทําลายความสงบ เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันพอตัดความอยากได้ไม่มีความอยากอยู่ในใจใจก็จะสงบไปตลอดสงบแบบไม่ต้องเข้าไปในสมาธินั่งอยู่ที่ไหนก็สงบเพราะไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากดูอะไรฟังอะไรดื่มอะไรรับประทานอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขทำงานก็มีความสุข ถ้ายังมีงานต้องทําก็ทําไปเออใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ไปไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละตัวที่ทําให้เราทุกข์กันตัวที่ทําให้เราต้องมาเกิดการซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีวันสิ้นสุดก็เกิดความอยากนี้เอง ความอยากท่านจึงบอกว่าเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการพัดพรากจากกันดังนั้นเราต้องมาหยุดความอยากให้ได้ เครื่องมือที่เราจะใช้หยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็มอบให้เราแล้วถ้าเป็นค า, ารวะท่านก็บอกทําทานก่อนแล้วค่อยรักษาศีลแล้วก็ค่อยภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ทําทานหมดแล้วทานไม่ต้องทําแล้วเหลือแต่ศีลเหลือแต่ภาวนาก็ภาวนาไปรักษาศีลไปถ้าค า, ารวะถ้ายังมีเงินทองอยู่ก็ต้องทําบุญไปก่อนอย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยาก เงินนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ตามความอยากเพราะใช้ตามความอยากก็เท่ากับเป็นการเลี้ยงความอยากให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็ต้องเอาไปทำบุญแทนเอาไปทาบุญแล้วความอยากใช้เงินมันก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็เลิกใช้เงินได้สละเงินได้ไปบวชได้ พวกที่เขาไปบวยเขาไม่ต้องใช้เงินแล้วเขารู้ว่าการใช้เงินซื้อความสุขนี่เป็นการซื้อความทุกข์ไม่ใช่เป็นการซื้อความสุขเพราะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยังอยากอยู่นั่นยังหิวอยู่นั่นต้องเอาเงินนี้ไปทําบุญแล้วจะอิ่มจะไม่มีความอยากซื้ออะไรอต่อไปแล้วจะได้มีเวลามา ภาวนามาเจริญสติมานั่งสมาธิ <c oughs> มาเจริญปัญญาพอมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาได้ก็สามารถฝืนความอยากได้สู้กับความอยากได้ถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสมาธินี่สู้ไม่ไหวตอนนี้เรารู้ว่าความอยากไม่ดีแต่พออยากที่ไล้แพ้มันทุกที อยากจะดื่มกาแฟาก็แพ้มันทุกทีอยากจะได้นู่นได้นี่ก็แพ้มันทุกทีแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วพอพอมันอยากอะไรเราก็ไม่ทำตามมันได้อยากกาแฟาก็ไม่ดื่มก็ได้อยากบุหรี่ไม่สูบก็ได้อยากสุราไม่ดื่มก็ได้ถ้ามีสมาธิเพราะใจมันอิ่มไงใจที่ไม่สมาธินี่มันจะอิ่มมันจะเป็นอุเบกขา ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอกิเลสจะมาหลอกก็ไม่หลงตามไม่เชื่อไม่ทำตามเพราะมีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาคอยกระซิบบอกว่าอย่าทำตามความอยากเพราะความอยากเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ทาตามความอยาก ความอยากสามข้อนี้เท่านั้นไม่ใช่ความอยากอย่างอื่นทำได้อยากบวชทำได้อยากนั่งสมาธิทำได้อยากทำบุญทำได้อยากรักษาศีลทำได้แต่อยากไปเที่ยวไม่ได้อยากได้เงินได้ทองไม่ได้อยากได้แฟนไม่ได้ความอยากที่เป็นเหตุที่ทำให้เป็นความทุกข์นี้ไม่ได้แต่ความอยากที่ทำให้ดับความทุกข์นี้ได้ การบวชนี่เป็นการดับความทุกข์ไม่ได้เป็นการสร้างความทุกข์การถือศีลเป็นการดับความทุกข์การทำบุญเป็นการดับความทุกข์อยากในสิ่งที่ทำให้ความทุกข์ดับนี่อยากได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปทาอยากในสิ่งที่ทำให้ความทุกข์เกิดอยากได้แฟนนี่ความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีนะ อยากได้ลูกบางคนไม่มีลูกก็อยากได้ลูกก็ทุกข์ก่าจะได้ลูกนี่โอ้โหเหนื่อยแสนเหนื่อยสำหรับคนบางคนคนที่ไม่อยากได้ลูกมันออกมาเป็นโหลนั่นก็ทุกข์อีกแบบนึงอยากไม่ได้ลูกก็ทุกข์อีกออกมาอยู่เรื่อยนั้นความอยากมีสองชนิดความอยากที่ดับความทุกข์นี้เป็นความอยากที่เราอยากได้ แต่ความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้เราอยากไม่ได้อยากไ็อยากมันความอยากอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็ความอยากในลาบยศสรรเสริญอยากมีเงินมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากในยศก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรต่างๆที่มีให้เป็นกัน อยากให้เขายกย่องเยินยอ้คนเป็นใหญ่คนโตนี้มีแต่คนคอยชมอย่างเดียวไม่มีใครกล้าตําหนินแต่พอวันไหนตกเก้าอี้ลงมาปั๊บนี้โอ้โหคำตาหนิมาเป็นขบวนเลยโดนด่ายาวเลยถูกจับเข้าคุกเข้าตราดอะไรเป็นอย่างนี้ไปฟ้องร้องฟ้องศาลขึ้นเนี่ยเวลาตกเก้าอี้เนี่ยเวลาตกจาก ความเป็นนายกแล้วทีนี้เขาก็เลยเออไม่มีอะไรคุ้มครองนะสิทีนี้พวกที่เจ้องที่จะฆ่าก็ตามมาแล้วพวกที่จะอาลัางแค้นอาฆาตพยาบาทก็ตามกันมาแล้ว <c oughs> ของพวกนี้อยากแล้วมันทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันจะต้องไม่ไม่ได้มันจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาหรือจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ เ, ออเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็ทุกข์ เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์นั้นของพวกนี้อยากไปอยากอยากทําบุญนี้ไม่ทุกข์ทาบุญแล้วมีความสุขอยากรักษาศีลรักษาศีลแล้วมีความสุขไม่ทุกข์อยากภาวนาภาวนาแล้วจิตสงบมีความสุขไม่ทุกข์อยากฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาฟังแล้วมีความสุขได้ความรู้ความฉลาดได้ปัญญาขึ้นมา ได้ปัญญามาดับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าความอยากเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันอยากให้ขานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ลวอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์อีกเขาเป็นกล้วยอยากจให้เขาเป็นสับปะรดเนี่ยเขาจะเป็นสับปะรดได้ไงก็ต้องเป็นกล้วยแต่เราก็ยังอยากเขาเป็นสับปะรด ลูกเราก็อยากจะให้เป็นเหมือนเด็กสามขวบเคยว่านอนสอนง่ายสั่งให้ทำไรทำตามทุกอย่างแต่ตอนนี้มันสามสิบแล้วยังไปอยากให้มันเป็นเด็กสามสามขวบอยู่ยังอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่เป็นแล้วมันไม่ได้เป็นเด็กสามขวบแล้วแต่ไม่ยอมมองด้วยปัญญากันยังมองว่าเขาเป็นเด็กสามขวบอยู่ยังมองว่าเขาเป็นกล้วยอยู่ตอนนี้เขาเป็นสับประรดแล้ว ยังอยากให้เขาเป็นกล้วยอยู่นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่พวกเราหยุดได้ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลยก็ปล่อยเขาไปเขาเป็นสัตว์ประลดแล้วเขาเป็นคนอายุสามสิบแล้วเขาจะมีชีวิตของเขาแล้วเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเขาจะไปกินเหล้าเมายาก็เรื่องของเขาอ่ะเขาจะไปเล่นการพนันเขาจะไปทาอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้ไปรับผลจากการกระทาของเขาเลยเห็นไหม เดี๋ยวเขาไปติดคุกติดตารางเราก็ไม่ได้ไปติดกับเขาเขาไปถูกคนอื่นทำร้ายเราก็ไม่ได้ไปถูกทำร้ายแล้วเราไปทุกข์อะไรกับเขาทำไมเพราะเราอยากอยากอยากไม่ให้เขาทำอยากไม่ให้เขาไปติดคุกติดตารางอยากไม่ให้เขาไปเจอเคราะห์กรรมต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นเขาเขาอยากจะทำถ้าเขาไม่ได้ทำแล้วก็ทุกข์ยิ่งกว่าเขา ทำเขาก็เลยยอมยอมทำยอมยอมแก้ความทุกข์ตอนนี้แล้วไปเจอความทุกข์ข้างหน้าความทุกข์ข้างหน้าไม่แน่นอนอาจจะเจอก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้แต่ความทุกข์ในปัจจุบันนี้มันเจออยู่แล้วคนที่อยากจะกินเหล้าเนี่ยมันทุกข์ไหมเราไม่ได้กินก็ขอให้มันกินน่ยกินแล้วจะตายอายุสั้นก็ะชั่งมหมดเลยกว่าจะตายต้อง 20-30 ปีตอนนี้ขอดับความทุกข์ในปัจจุบันก่อน ความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะดื่มสุราอาส่วนดื่มแล้วจะไปเป็นโรคพิษสุราเลือดลังทีหลังตับแข็งไตแข็งก็เรื่องของมันนั่นอีกยาวอีกไกลคนจึงไม่ค่อยกลัวกันกลัวความทุกข์ในปัจจุบันเพราะกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในปัจจุบันความทุกข์ในอนาคตก็ไม่ค่อยกลัวนั่นจะมีขโมยเหรือขโมยมันก็ไม่กลัวอมันรู้ว่าขโมยไปถ้าถูกจับ ก, ก็ติดคุกติดตารางะ แต่มันก็ยอมเสี่ยงเพราะอาจจะติดก็ได้อาจจะไม่ติดก็ไดไ้เพราะฉะนั้นเราไปไปยุ่งกับความคิดความอยากของคนอื่นเขาไม่ได้หรอกเรายุ่งได้ก็ตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่เขาอยู่ภายใต้การดูแลของเรา <c oughs> เราก็อบรมสั่งสอนไปพาเข้ามาวัดพาเขากล่พาพระพาเขาใส่บาตรพาเขาทำบุญไป พอเขาเป็นตัวของเขาแล้วนี่เขาก็จะพาเข้ามาถ้าเขาไม่อยากมาเขาก็อ้างเหตุนู่นเหตุนี้ไม่ว่างมั่งติดธุระมั่งอะไรบ้างไปเราก็เราก็ทำหน้าที่ของเราแล้ ว, ลวหน้าที่ของพ่อแม่ก็ชักจูงให้ลูกไปในทางที่ดีแต่เมื่อชักแล้วจูงแล้วเขาไม่ไปก็ก็ต้องปล่อยอย่าไปทุกข์กับเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ต้องไปตามทางของเขา เพราะความความอยากของเขามันมีอำนาจมากกว่าความปรารถนาดีของเราอยากไปทุกขกับเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะให้กับเขาแล้ว mm hmm. เขาจะไม่รับก็ช่วยไม่ได mm hmm. น้นี่คือความอยากที่พวกเราทุกขกันไม่ว่าจะรวยจะจนนี่มีความทุกข์เหมือนกันทางใจ ย, ยังมีความอยากเหมือนกัน คนจนก็อยากจะรวยคนรวยก็อยากจะไม่จนมันก็มันก็ทุกข์เหมือนกันเพราะยังมีความอยากอยู่ต้องเป็นคนจนที่ไม่อยากรวยเนี่ยถึงจะมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนจนที่ไม่อยากรวยพระอาหารหันต์พระที่มาบวชนี่เป็นคนจนเป็นขอทานใช่ไหมเช้าก็หิวบาทเข้าไปในวัดเข้าไปในบ้านแล้วไปรับทาน ไ, ไปบิณฑบาตรก็ไปขอทานดีๆนึ่ เพียแต่ว่าขอทานแบบมีมารยาทไม่ไปเคาะประตูบ้านไม่ไปไปรบกวนชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านก็ใคอยากจะทําบุญก็ทําก็ทําไปไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรอันนี้เป็นขอทานบรรดาศักดิ์ขอทานที่มีมารยาทขอทานที่มีศีลไม่ขโมยขอทานบางคนนี่ไปขอแล้วไม่ได้ก็เฮ่ถ้ามน เ, าเผลอวางอะไรไว้ก็คว้าไปเลย แต่ขอทานบรรดาสั่งนี้เขาไม่อยากรวยเขาไม่อยากได้อะไรเขาอยากจะได้แค่เพียงแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันหนึ่งท่านเองสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือความไม่มีความอยากความหมดของความอยากความหมดของความอยากสามประการความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากมีอยากเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไป ความอยากสามตัวนี้ท่นนันที่เขาต้องการที่จะตัดมันจะตัดมันได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาสติจะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ใจเรามีอุเบกขาจะทำให้เราเฉยกับความอยากได้ปัญญาก็จะคอยเตือนคอยบอกว่านี่คือความอยากนี่คือต้นเหตุของความทุกข์อย่าทำทุกครั้งอยากจะทำตามความอยากอย่าทำ เดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วต่อไปมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับคนนั้นคนนี้ใครก็จะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ไปบังคับเขาได้เขาก็ต้องทำไปตามความอยากของเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทาของเขาไป นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำให้มันสงบที่จะทำให้มันผลิตแต่ความสุขให้กับเราแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำให้มันสงบเรากลับไปกระตุ้นให้มันให้มันผลิตแต่ความทุกข์ออกมาด้วยความอยากต่างๆของเราด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าความอยากนี้ เป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจกันเวลาเราทุกข์นี่แทนที่จะโทษความอยากเรากลับไปโทษคนที่เขาไม่ทำตามความอยากเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นพอเขาไม่ทำเราก็ทุกข์แล้วเราก็บ่นว่าเนี่ยที่ทุกข์ก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ทำตามที่เราบอกให้เขาทำ <S 2> <S 2> <spam> ไปโทษเขาอีกก็ผิดแล้วต้องโทษตัวเองที่ว่าเราไปอยากให้เขาทำถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ทุกข์ ดันะนั้นเราหัสมาหยุดความอยากกันรับรองได้ว่าจะได้ความสุขมากกว่าการทำตามความอยากคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่ได้ทำตามความอยากเราจะไม่มีความสุขกันเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เคยไม่ทำตามความอยากกันเขาเคยแต่ทำตามความอยากกันเขาก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากให้เขามีความสุขเช่นอยากจะดื่มเหล้าพอได้ดื่มเหล้าเขาก็มีความสุข พออยากจะสู่บุหรี่เขาก็มีความสุขพออยากจะเที่ยวเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่ได้มองถึงเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ทำตามที่เขาอยาก <c oughs> อยากสูบุหรี่แล้วไม่มีบุหรี่ให้สู่เป็นอยา่าง <c oughs> อยากดื่มสุราแล้วไม่มีสุราให้ดืม่มอยากไปเที่ยวแล้วไปไปไม่ได้ตอนนั้นแหละเขาถึงจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ง <c oughs> ั้นตอนนี้พวกเราไม่ต้องไม่ต้องรอ ถึงเวลานั้นมีคนพิสูจน์ให้เราแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์จะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดจะนําไปสู่ความเกิดแก่เจ็บตายการหยุดความอยากได้จะทําให้เราไม่มีความทุกข์จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป งันขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วรับเครื่องมือที่พุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราสามข้อด้วยกันทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเป็นพระก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาสองอย่างเพราะพระไม่มีเงินทำบุญแล้วทาไปหมดแล้วมีเงินทองเท่าไหร่ก็ตอนบวชก็ทาไปหมดแล้วยกให้คนอื่นไปหมดยกให้ใครก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานัน ยกให้ครอบครัวยกให้ลูกยกให้สามียกให้ภรรยาให้พ่อให้แม่ก็เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันสําหรับพระพระพุทธเจ้าเลาไม่สอนให้ทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาสําหรับญาติโยมนี้ยังต้องสอนเรื่องทําทานอยู่เพราะญาติโยมชอบเอาเงินไปเลี้ยงกิเลสไปเลี้ยงความอยากไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว ก็เลยต้องสอนว่าอย่าไปเอาเงินใช้ไปซื้อความอยากต่างๆไปทําตามความอยากต่างๆให้เอาเงินมาทําบุญทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญทุกครั้งที่อยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นก็เอาเงินที่จะซื้อของไม่จําเป็นนี้มาทําบุญแล้วต่อไปความอยากจะซื้อของอยากจะไปเที่ยวมันจะหมดกำลังไปเอง <amer ican> เพราะเราไม่ทําตามมันนะ แล้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็มีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาภาวนาได้มาอยู่วัดได้มารักษาศีลมาเดินจงกรมนั่งสมาธิพอพอมีเวลาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลนั่งสมาธิจิตก็สงบได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง พอได้ความสุขนี้แล้วพอเกิดความอยากได้ความสุขแบบอื่นก็สามารถเลิกได้ไม่ทำตามได้ต่อไปความอยากที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเพราะมีความสุขที่ดีกว่าคือความสงบอยู่ในใจอยู่แล้วนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยากเย็นอะไรอยู่ที่ว่าเราต้องมีศรัทธาความเชื่ออย่างแท้จริง แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิถีทางเดินของเราเดินตามพระพุทธเจ้าอย่าเดินตามกิเลสตัณหาความอยากที่เราเคยเดินตามมาไม่รู้จักไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วการเดินตามกิเลสตัณหา <S <S ก็พา <S <S เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างนับไม่ถ้วนพพชาติที่เราเกิดมานี่จากการที่เราเดินตามกิเลสนี่มันนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านชาติ แต่ถ้าเราเดินตามพระพุทธเจ้านี่พบชาติจะหมดไปความทุกข์จะหมดไปใจจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายอีกต่อไปเพราะไม่มีวันเกิดขอให้เราเชื่อถ้ายังไม่เชื่อก็พยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกไปเช่นตอนนี้ก็มีประวัติของหลวงปู่มั่นมาแจกเนี่ย งปู่มั่นจะถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะอัฐิของท่านนี้ได้กลายเป็นพระาธาตุไปแล้วการที่กระดูก ข, ของใครตายไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุนี้แสดงว่าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้พบกับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้พบกับพระนิพพานแล้วได้พบกับบรลมสุนิบานังปรมังสุขขังแล้ว ได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วเนี่ยประวัติของท่านอ่านแล้วมันจะทาให้เกิดศรัทธาคนที่อ่านหนังสือท่านแล้วออกบวชกันนี่ก็ไม่น้อยอ่านแล้วทาให้มีกาลังใจเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่มีใครเชื่อว่านิพพานยังมีอยู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ยังสามารถทำได้ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบัน พอมองไปไหนก็มีแต่อมีแต่พระตาบอดทั้งนั้นพระหลงทางทั้งนั้นพระสวดพระเป่าพระเสกพระอะไรต่างๆแต่พระปฏิบัตินี้ไม่เห็นเลยพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เห็นก็เลยไม่คิดว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่เพราะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ส่วนใหญ่ท่านจะไป ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในป่าในเขาถ้าเราไม่ไปบุกป่านี่เราจะไม่เจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองเราก็จะเจอแต่พระเป่าพระเสกพระสวดกันแต่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ไม่มีเราเลยไม่คิดว่าจะมีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้อีกแล้วนั่นเองจ้าเนี่ย พระป่าท่านมีแล้วก็มีหลวงตานี่ท่านเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งท่านก็เลยอุตส่าห์นั่งเขียนประวัติของหลวงปู่ม่านออกมาเอามาแจกจ่ายทำให้พวกญาติโยมสมัยนี้รู้จักพระสายวัดป่ากันพระสายหลวงปู่ม่านกันถ้าหลวงตาท่านไม่เขียนก็ไม่มีครูบาอาจารย์นู้นอื่นท่านเขียนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านไม่มีการศึกษาเป็นชาวนาชาวไร่จบ ไม่ได้เรียนเข้าโรงเรียนเวลาบวชบางทียังเขียนอ่านอ่านไม่ออกเลยคำบวชต้องให้เขาสอนแล้วก็ท่องจำเอาไว้อ่านเองไม่เป็นท่านจึงไม่มีความสามารถที่จะทําหนังสือเขียนหนังสือเผยแพร่ธรรมะให้กับผู้อื่นได้แต่หลวงตานี่ท่านก่อนที่ท่านจะออกปฏิบัติท่านก็เรียนทางปริญัติก่อนเรียนนักธรรมตีเรียนบาลีทางโลกก็เรียนจบป .4 ก็พอเขียนหนังสือได้อะไรได้พอท่านถึงเวลาพร้อมท่านก็เลยเอาเวลามานั่งเขียนประวัติหลวงปู่มันแล้วก็มีญาติโยมศรัทธานำเอาไปเผยแผ่เป็นตอน <c oughs> ตอนในหนังสือดิจิทาสารสีสัปดาพอคนอ่านแล้วก็ติดใจก็เลยมารวมเล่มกันแล้วก็มาพิมพ์แจกกันมีคนอยากจะขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเอาไป ขายท่านบอกท่านไม่ขายเราท่านทําเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะทำไม่ได้ทําเพื่อเงินทองท่านก็เลยไม่ขายะถ้าขายเดียวนี้มัน ก, ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปคนที่ไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อมาอ่านได้แอ่นี่เป็นหนังสือที่ใครจะพิมพ์ต้องพิมพ์เพื่อแจกอย่างเดียวเพื่อคนที่ไม่มีเงินก็จะได้อ่านได้ะ คนบีันก็อ่านได้ทุกคนจะได้มีสิทธิทจะได้อ่านได้อ่านแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยังมีอยู่นี่คือเรื่องราวของอของพระพุทธศาสนาของพวกเราถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอยากจะมีศรัทธาอย่างแน่ๆนขอให้เราพยายามศึกษาพระพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือมีอยู่ในหนังสือธรรมะต่างๆศึกษาไปศึกษาไปแล้วมันจะทําให้เราเชื่อเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงแล้วจะทําให้เราอยากจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาก็จะทําให้เร า, เาปฏิบัติกันพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นพระพระสงฆ์ขึ้นมาอย่างแน่ น, นอนเพราะ เหตุที่จะทำให้เป็นพระสงฆ์ก็คือการปฏิบัตินั้นก็ขอให้ท่านพยายามเข้าหาอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะพระอริยสงสาวกก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากพวกเรานี่แหละ พวกเราที่เป็นปุชจิชนที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่ในขณะนี้แต่พอได้สัมผัสกับพระธรรมไ ด, ได้สัมผัสกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์แล้วมันก็ทำให้เราคลิกหน้ามือเป็นหนังมือทำให้เราสนใจที่จะปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามเราก็จะได้เป็นตามที่ท่านเป็นกันอย่างแน่นอนดังนั้น ก, การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปการปติอิทิ่ตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสาเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปณระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุฒาปะจายิโน S <S จตารุธรรมาวาทานติอายุวันูสุขงังภาลังอันนี้ทางเฟซบุ๊กข้นมาเท่าไหร่อันนี้สูงสุด467ค่ะอทางยูทูบ140ค่ะเดี๋ยวพวกนี้ลดเหลือ300กว่าเพราะไม่อยู่บ้านไม่อยู่ที่กันไม่อยู่กับที่ ไปธุระป่าปังกันรู้สึกจะเป็นขาประจำนะพวกนี้มีส่งข้อความมาประมาณห้าร้อยกว่าข้อความนะความคิดเห็นประมาณสี่ห้าร้อยกว่าข้อความทุกคนที่ดูแล้วก็ต้องน้มสักการสาทุกันทุกคนขอบคุณพี่แอดมินขอบคุณทีมงาน ที่ช่วยถ่ายทอดช่วยทำให้มีการถ่ายทอดสดส่งเข้ามานะที่งานก็จะได้มีกำลังใจพอทีมงานก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ทำด้วยทาด้วยใจถ้าหนังสือหมดก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์พนระสุชาติ t com หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นหนังสือหลายเล่มด้วยกันมีอยู่อย่างนี้ก็อ่านในมือถือก็ได้อ่านใน iPad ก็ได้คำถามจากคุณโตโมอนค่ะขอเรียนถามว่าศาสนาอื่นเขาไปนิพพานเหมือนศาสนาพุทธไหมครับนิพพานที่เดียวกันหรือเปล่าครับคือจิตของเขาก็ไปนิพพานได้เหมือนกันแต่ไม่มีคนพาไป ศาสนานี้เป็นเหมือนกับคนพระคนนําทางไงคนนําทางบางคนก็พาไปได้แค่พัทยาบางคนก็พาไปถึงกรุงเทพเนี่ยศาสนาพูดนี้พาไปถึงกรุงเทพเลยศ า, าสนาอยูสาสา่ทางแค่พัทยาสีดาชาเนี่ยคําถามจากคุณซิสตัน <c oughs> ตอนสมัยเด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่มีใครอบรมเรื่องธรรม ได้ทำผิดศีลหลายอย่างปัจจุบันรู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกรงกลัวต่อบาปตั้งใจทำความดีต่อไปเราต้องไปรับผลของกร ร, รมที่ทำไว้ในอดีตไหมครับก็ทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมแต่ถ้าเราทำความดีมากกว่าทำกรรมความดีเราก็จะส่งผลก่อนเราก็ยังไม่ต้องไปรับกรรมถ้าเราทำดีไปด้เรื่อยความดีของเรามากกว่าความไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปรับกรรมอย่างองคลิมานใช่ไ ถ้าคนต้อง999คนแต่พอมาทำความดีได้เป็นพระอรหันต์ก็เลยไม่ต้องไปรับกรรมเก่าใช้กรรมเก่าเพราะว่ากรรมใหม่มีกําลังมากกว่าเหมือนกับซื้อรถที่มีแรงมากกว่ารถเก่ารถเก่าตามไม่ทันมีรถใหม่วิ่งเร็วกว่ากรรมเก่าเป็นรถเก่าตามไม่ทันรถใหม่คือบุญใหม่ที่เราทำกันคำถามจากคุณจินดา พระอาจารย์ครับคนจนไม่สามารถทำบุญด้วยปริมาณได้จะทำอย่างไงดีครับรก็รักษาศีลสิรักษาศีลได้บุญมากกว่าทาบุญทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านค่ะคำถามจากคุณละเวงความอยากเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกำจัดความอยากกำจัดด้วยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าเมตตาไว้ให้คือทานศีลภาวนาใช่ไหมคะใช่ใช่คาถามจากคุณรัตนาสุดา อยากถามเรื่องพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วสามารถเดินได้เจ็ดเก้าตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องจริงหรือเปรียบเปยหรือกุศโลบายคเรื่องจริงเมื่อไม่นานนี้ก็มีข่าวเนี่ยเด็กออกมาจากท้องก็ลุกขึ้นมายืนได้นะออ น, นี่เป็นเรื่องของจิตที่มีสติจิตที่มีสตินี่มีกำลังมากสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้เลยนัออ้นเป็นเรื่องไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าสงสัยเป็นไปได้ แม้แต่วัวควายมันออกเกิดปป๊บเดียวมันก็เดินได้แล้วไม่ใช่ไหมใช่ไห อ, อแล้วทําไมคนทงไม่จะเดินไม่ได้ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีสติกันเนียพวกเรามันพวกไม่มีสติกันเกิดมากว่าจะเดินได้ต้องมาฝึกมาสอนมาม า, มาหัดเดินกันแต่พระอาจารย์นี่ท่านมีสติมาได้มาเยอะแยะตั้งแต่นั่งเดิมแล้วพอมาปั๊บ ก, ก็สั่งให้ร่างกายขยับลุกขึ้นมายืนได้เลยครับถามจากคุณศักชัย กรรมเกิดจากอะไรครับกรรมแปลว่าการกระทําเกิดจากการกระทําของเราเราพูดนี่ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งน ะ, ะเราตีหัวคนไปขโมยข้าวของคนนี่ก็เป็นกรรมอีกอย่างเราทําบุญก็เป็นกรรมอีกอย่างเราคิดก็เป็นกรรมอีกอย่างานี่เรียกว่ากรรมกรรมที่เกิดกรรมที่ทําทางร่างกายนี้เกิดจากการทําทางใจก่อนคือเราต้องคิดก่อน เช่นวันนี้คิดว่าจะมาทําบุญเราถึงจะมาได้ถ้าเราคิดจะไปเที่ยวเราก็จะไม่ได้มาทําบุญมันก็จะไปเที่ยวแทนงนั้นพยายามดึงความคิดให้มันคิดไปในทางที่ดีแล้วเราจะได้ไปทําในสิ่งที่ดีได้คําถามจากคุณแหม่มวันนี้มีคนรู้จักบอกให้ไหว้พระราหูคือถ้าเราไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้ยินแล้วก็ควรจะไหว้ ลูกขอคำแนะนำในเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าการที่เราไหว้พระราหูจะเป็นสิริมงคนตรงไหนและสามารถแก้เคลและทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่คะก็ต้องไปถามคนที่เขาพูดเสร็จเราไม่รู้อะ <c oughs> พระราหูเราไม่เคยเจอไม่เคยศึกษา ค, ค, คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายความหมายว่าพิจารณาธาตุสี่ให้ชำหนีชนานาญ ก็ร่างกายเราเนี่ยท่านบอกว่าทำมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมายังไรธาตุสี่อาหารที่เรากินนี่มันมาจากไหนนะข้าวที่เขาต้องปลูกใช่ไหมปลูกในดินใช่ไหมพอปลูกในดินแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวนี่ก็เป็นดินที่แปลงแปลงจากดินดินหยาบมาเป็นดินละเอียดแล้วพอเรามากินเข้าไปในท้องเราผสมกับน้ําผสมกับลมที่เราหายใจเข้าไปผสมกับไฟที่ความร้อน มันก็ทาให้มันเปลี่ยนเป็นอาการ32ไปเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไปถ้าเราไม่กินนี่ออกมาจากท้องแม่แล้วมันจะโตขึ้นมาได้ไหมร่างกายนี้ใช่มมันต้องคอยเติมน้ำคอยต่อคอยเติมลมคอยเติมดินอยู่ตลอดเวลาหายใจยเข้าตลอดเวลานี่กำลังเติมธาตุลมละ mm hmm. ดื่มน้ำเข้าไปหรือดื่มของเหลวต่างๆเข้าไปก็เติมธาตุน้าเข้าไป แล้วบางทีในธาตุน้ำนี่ก็มีธาตุดินผสมไปด้วยพวกอาหารต่างๆธาตุแร่ต่างๆแร่ธาตุต่างๆมันก็อยู่ในน้ำเราก็เติมธาตุเข้าไปอยู่เรื่อยๆพอไปในร่างกายมันก็ไปแปลงเป็นผมขนเล็บฟันทำให้ผมยาวขึ้นทำให้เล็บยาวขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมตัวของธาตุสี่มาที่ร่างกายเพื่อมาทำให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตขึ้นมา แล้วพอมันจเจริญเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมท่าที่เข้ามามันจะไม่ยอมรวมกันละมันจะแยกกันมันก็จะทําให้แก่ลงไปแก่ลงไปเดี๋ยวพอมันจะแยกกันมันก็หมดแรงหายหายใจก็หายไม่เข้าละถ้าตลมไม่เข้าละพอธาตุลมไม่เข้าทุกอย่างก็จบดังทีมันก็จะมีแต่จะออกนะถ้าทิ้งศพไว้ทิ่งคนตายไว้เดี๋ยวธาน้ําก็จะไหลออกมาตามทวาวรต่างๆ เดี๋ยวก็ขึ้นอืดพองแล้วก็มันก็แตกเฟะขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็แห้งกรอบร่างกายแห้งกรอบที่ไว้นาน้ำก็กลายเป็นดินเหนือโครงกระดูกโครงกระดูกที่ไว้น้ำนาก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปหมดนี่คือธาตุสี่พิจารณาอย่างนี้ว่าร่างกายนี้มันก็เป็นแค่ธาตุสี่เท่านี้เหมือนกับสาราหลังนี้ก็เป็นการประกอบขึ้นมาของวัตถุต่างๆมีไม้มี สังกะสีมีพลาสติกมีอะไรต่างๆจึงทําให้มีอสาราหลังนี้ขึ้นมาทิ้งไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เริ่มผุไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยไม้เมยเสาดิดูเลยมันเริ่มต่อไปมันก็จะล้มพังไปทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเพราะธาตุทั้งสี่มันจะไม่ยอมอยู่กันไปตลอดมันมารวมกันแล้วมันก็อยากจะแยกกลับไปสู่ที่เดิมของมัน ถ้าดินก็อยากจะกลับไปอยู่กับดินถ้าน้ําก็อยากจะกลับไปอยู่กับน้ำถ้าลมก็อยากจะกลับไปสู่ลมมันเลยทําให้ร่างกายเราต้องแตกดับกันไปคำถามจากคุณพยอมปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะปัญญาในทางโลกเป็นปัญญาที่หาความทุกข์กันปัญญาในทางธรรมนี้เป็นการดับความทุกข์กันต่างกันตรงนั้น คุณสิริพรไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนั่งสมาธิประจําแต่สิ่งที่แปลกคือเช้ามืดจะมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาปลุกให้ตื่นแทบทุกวันสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะอ๋อมันเป็นจิตใต้สํานึกเราถ้าเราเคยทําอะไรแล้ว เ, เคยตั้งใจจะทําถึงเวลามันจะบางปลุกเราเองเราเกลี่ยดูวางที่เราจะตื่นแต่ช้าที่เราเลิกไว้ก่อนนอนเนี่เดี๋ยวพอถึงเวลาไม่ต้องบางที่ตื่นก่อนนะาฬิกาปลุกเพราะใจเราเคอยคิดอยู่เรื่อยๆ อยู่ในใจออวอาพรุ่งนี้ต้องตื่นเวลานี้เวลานีออ้มันก็เลยมันก็เลยคอยเตือนเราอยู่เลยคำถามจากคุณทีโกถ้าเราซื้อหุ้นเรียกว่าหุ้นเพิ่มทุนที่เจ้าของบ ร, ร, ริษัทนําเงินไปขยายกรรยิจการม <c oughs> ี่ผิดสี่ข้อหนึ่งหรือข้อห้าเท <c oughs> ่ากับว่าผู้ซื้อก็ร่วมทําบุญใช่ไหมครับวิบากกรรมผู้ซื้อกับเจ้าของจะเป็นอย่างไรครับร่วมทําบุญแล้วร่วมทำบาตรทําบาป ใ, ใช่ไหมอ่ ก็ถ้าพูดตามหลักมันก็ถ้าเรามีส่วนได้รับประโยชน์จากการกระทําบาปของเขาก็เราก็มีส่วนร่วมกับเขาไปคําถามจากคุณสัจจพลคําว่าจิตในจิตหมายถึงอะไรครับคําว่าจิตในจิตก็คือให้เราดูจิตดูอาการต่างๆที่มีอยู่ในจิตเช่นอารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันอยู่ในจิตจิตในจิตให้ดูจิตในจิต หถจากคุณประสิทธิเวลาถวายสังฆทานใช้ถังที่วัดจัดไว้แล้วใส่ปัจจัยถังนี้วนไปมาได้บุญเท่ากับถังสังฆทานที่เราจัดไปเองหรือไม่ครับได้เท่ากันนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าอยู่ที่เงินที่เราบริจาคไปเราวิธีไหนก็เหมือนกันวิธีนี้ก็ดีอย่างว่าจะได้ไม่มีขยะเยอะเพราะส่วนใหญ่กระแปงสังฆทานนี้ก็ไปทำประโยชน์อะไไม่ได้ของที่อยู่ในกับ กระแผงก็เป็นของเก่าของที่อมันใช้ไม่ค่อยได้อวัว น, นั้นนะเอมีค่าน้าที่มีะระยะกระถามอีกไหมเพิิ่มนดนดึงะะได้เมื่อกี้ที่ถามเรื่องซือง้อหุ้นครับทําไมผม อ, อคิดขึ้นมาหนึอันนึงี่เคยคิดไว้ว่าแบบอย่างสมมุติคนที่เป็นทำอาชีพฆ่าสัตว์เนี้ยครับคือเหมือนเขาก็ต้องฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าวันละหนึ่งตัว แต่ว่าถ้ามองจริงๆมันก็ไม่ค่อยแปงเพราะว่าสาเหตุที่เขาต้องมาฆ่าสัตว์ก็เป็นเพราะว่าคนอืออ่นกินเนื้อเขาเลยต้องมีอาชีพนี้และเขาอาจจะไม่มีทางเลือกเลอาชีพอื่นแต่อันนี้ก็ประกาศว่าเขาต้องรับปากของคนอื่นทั้งหมดก็ช่วยไม่ได้ก็อยากจะเลือกอาชีพนั้นเองนะ่ยก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ทาน